ส่วนบ้านที่สองเป็นฝีเท้าของสิบตารวจเอกพลลขับลูกน้ําเค็มลูกน้องของพลตารวจตรีธรรรงโดยทั้งสองคนอยู่กันคนละห้องค่ะเมื่อเล่ามาถึงตอนนี้พันตารวจเอกอมรก็ได้ถามว่าเคยมีสาวผมยาวมานอนเคียงข้างด้วยหรือยังละ่ะพันอ่าพลตารวจตรีทํารงนก็ตอบบอกว่ายังไม่เคยมีถ้าหากว่ามีคราวนี้ฝาบ้านอาจจะพังทั้งแถบเลยก็ได้